เมื่อวานได้กล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท้าวสักกะกล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงเนี่ยแปดประการเมื่อคืนได้ข้อเดียวเองข้อเดียวก็คื อ, อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกลูนปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อกกูลเพื่อความสุขแก่ชาวโลก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 โดยเฉพาะเทวดารวมทั้งพรหมเนี่ยบรรลุ18โกดก็ประมาณเท่าไหร่18โกดก็ร้อยแปล้านานะแต่ว่าพรหมข้างหลายเนี่ยมาจากหมื่นจักรวาลนะเทวดาและพรหมเนี่ยมาจากหมื่นจักรวาล น, นั้นที่ตรัสรู้ตามเนี่ยมากถัดจากนั้นเรื่อยๆมาเนี่ยก็มีผู้บรรลุตามครั้งละห้า0ันครั้งละหมื่นครั้งละแสนครั้งละหลายหแสนบางสูตรเนี่ยบรรลุทีละเป็นแสนนะอย่างเช่นพรหมนารธกัสปะชาดกเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสในสมาคมญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบรรลุตั้งห น, นึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนนะแล้วก็มงคลสูตรเนี่ยบรรลุหาประมาณไม่ได้จุลาราหุโลวาตสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้มหาสมัยสูตรก็บรรลุหาประมาณไม่ได้ตอนที่แสดงย ม, มะกะปาฏิหารก็บรรลุหาประมาณไม่ได้บรรลุเป็นหมื่นหมื่นเป็นโกดังงั้นเถอะตอนที่แสดงอธิธรรมปิฎกก็บรรลุจํานวนมาก ตอนที่ลงจากเทวโลกก็บรรุจจำนวนมากนั้นหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ดื่มอมะตะธรรมตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะบรรลุมรักผลนิพพานท่า น, น, นเท้าสักกะท่านก็กล่าวว่าไม่เคยเห็นศาสดาเช่นนี้เลยและขณะเดียวกันเนี่ยนะเอ่อท้าสักกะเองเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็เพราะลงมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งเท้าสกกะเนี่ยจะหมดบุญ หมดบุนเนี่ยแปลว่าเงือแตกเลยนะเทวดานี่เวลาจะตายเนี่ยเขามีเครื่องหมายหลายประการด้วยกัน<ไ>เช่นหนึ่งผิวพรรณเนี่ยเศร้าหมองดูจะดูเหมือนเป็นคนแก่เลยทันทีนี่ยก็เรียกว่าผิวผิวพรรณเนี่ยเศร้าหมองดูย่นเลยมันนั้นแหะข้อหนึ่งนะข้อสองเงือนี่ออกรักแร้เลยปกติเนี่ยอุณหภูมิของเทวดาเนี่ย Mueller มันจะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, มีเงืออะไรแต่นี้ยเงือออกรักแร้เลยนี่ข้อต่อไปเนี่ยดอกไม้ประจําตัวนี่เฉาดอกไม้ประจําตัวนี่เหี่ยว อย่างข้อต่อไปปกติแล้วเนี่ยอาจจะยินดีในที่อยู่ของตัวเองมากแต่วันนั้นจกกะกวนกระวายนะเครื่องไม้เหล่านี้บอกได้เลยว่าอีกไม่เกินเจ็ดวันมนุษย์จะตายไม่ใช่เจ็ดวันเทวดานะถ้าเจ็ดวันเทวดาก็เจ็ดร้อยปีแต่ถ้าเจ็ดวันมนุษย์ก็ไม่กี่นาทีของเทวดาก็แปลว่าตัวเองจะตายแล้วเมื่อรู้ว่าตัวจะตายนี่เป็นยังไงก็เดือดร้อนเนี่ยโดยปกตินเนี่ยนะออย่างเช่นเท้าสักกะเนี่ย พอรู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยต้องจากศูญย์เสียอะไรไปบ้างศูญย์เสียเทวโลกสองชั้นทันทีหมดจากอะไรนะปกติปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชปกติปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงจะต้องจากสวรรค์ทั้งสองชั้นนี้เลยนี่ข้อที่แรกอย่ที่สองเนี่ยมีบริวารปกติมีบริวาปรวาประมาณสองล้านอันะั้สองล้านห้าปกตินะเฉพาะที่ที่คอยมาบํารุงตัวเองเนี่ยเรียกว่ามีบริวารประจําสํานักขนาดนั้น จะต้องสูญเสียขนาดนี้สูญเสียเวชยันต์ประสาทสูญเสียเวชยันต์ตรถสูญเสียทิพย์อำนาจท่านก็พวกเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าอะไรนะพวกแบบประธานาทิพดีจะถูกปลดอย่างนี้นะจะถูกปลดมันเหงื่อท่วมเลยแหละก็เดือดร้อนมากก็เลยลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าลงมาก็มาฟังธรรมถามปัญหาธรรมะพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันนะท่านเท้าสักกะเองก็ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเนี่ย จุติจากท้าวส ก, กะแล้วเกิดเป็นท้าส ก, กะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะตายจากเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาซึ่งพระอริยะบุคคลชั้นสูงและพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าตอนเนี้เทวดาองค์เก่าท้าส ก, กะองค์เก่าตายแล้วเป็นเท้าส ก, กะองค์ใหม่เรียบร้อยแล้วมันก็ต่ออายุอีกเท่าตัวนะต่ออายุอีกเท่าตัวก็คือสามสามสิบหกล้านปีเนี่ยนะอันอายุของสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์เนี่ยสามสิบหกล้านปี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 และเอาอะไรดีมาต่อเอาบุญต่อไปพบหน้าอะไรดีเนาะเนี่ยน ะ, นะก็มาต่อมาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเอาบุญอย่างน้อยกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ยังดีใช่ไหมหรือว่าไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั้นเราก็มาต่อเชื่อมต่อบุญต่อไปนะตรงนี้ก็ไม่ได้มาขายสวรรค์นะต้องไม่ทบทวนว่าคือเรื่องเนี้ยเป็นความจรงิงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่พูดอย่างงี้ไม่ได้ขายสวรรค์นีนะแต่เล่าให้ฟังตามเหตุผลทั่วไป ในผู้ที่ออย่างพรหมเทวดาบางท่านเนี่ยนะจะจุติจากเทวดาอย่างเช่นสุพรหมเทพบุะบุเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพระท่านมีบริวารเนี่ยนะมีพนักงานประจําเนี่ยประมาณพันคนเแ็จแล้วก็มีพนักงานบริวารเนี่ไปเก็บดอกไม้เก็บอะไรกันห้าร้อยเนี่ยจุติจากเทวดาเกิดที่ไหนมันเลยลงมนุษย์เดียวใช่ไหมราบว่าปกติเนี่ยปกติน่าจะลงมาเป็นมนุษย์เป็นอะไรใช่แล้วเลยจากมนุษย์ไปตกนรกเนี่ย บริวารเนี่ยตกนรกห้าร้อยพอบริวารตกนรกห้าร้อยเทสุรทพรมเทพบุตรก็คิดไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออบริวารเราทําไมมันลดลงไปดูไปอีกข้างหนึ่งโน่นตกนรกไปแล้วห้าร้อยก็เลยทำไงดีแล้วรู้ด้วยนะว่าตัวเองและบริวารที่เหลือเนี่ยจะตกนรกอีกจะตามไปเพราะฉะนั้นพวกเทวดาชั้นสูงบางท่านเนี่ยรู้ตัวเลยเหมือนกับบางท่านที่เรียกว่ารู้ตัวว่าคดีนี้ตกคุกแน่นอนอนะคุกแน่นอนนะเพึ่งใครดีอย่างงั้นนะ ล้างเรื่องนะบอกบางเครียกว่าอะไรนะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยรู้เลยว่าคดีเนี่ยตัวเองเนี่ยคุกแน่นอนไม่แคล้วเนะี่ยเพิ่งใครดีนะสุพรหมเทพประบุก็เลยหนักใจมากก็เลยลงไปไปฟังถามจากพระพุทธเจ้าถามปัญหาพระุทธเจ้าพระองค์ก็ตอบปัญหาจบปัญหาก็บรรุเป็นพระโสดาบันพร้อมทั้งบริวารเนี่ยนะเขาไยังชั่วเนี่ยนะครีิว่าโล่ง อ, อกไปทีเลยอันพระองค์เนี่ยการที่เกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยนะคนโล่ง อ, อกเนี่ยมากนะลาบางคนเนี่ยนะท่ารูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟัง ผมเนี่ยนะถ้าไม่ได้บวชผมตกนรกแน่นอนเลยมันชัวแนนอนใร้อยเอร์เ็นตันเปอร์เซ็นตตกแน่นอนไม่มีแคลว้วแบงนั้นเข้ามาก็ามาคิดตามท่านอ่ะนะท่านพูดอย่างงั้นเสร็จแล้วเราก็ามาคิดตามใช่ใช่ผมก็เหมือนกันผมถ้าผมไม่ศึกษาคําสอนนะตกนรกเลยล้านเปอร์เซ็นต์แบบนั้นฮนะนึกไม่ออกว่าจะไปสวรรค์กับเขาได้ยังไงเนี่ย น, นะถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็เห็นเลยว่าถ้าเรายังปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า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 ไม่ไหว้พระพุทธเจ้าแต่กัรไปไหว้เจติยะสถานที่เก่าแก่ตรงนั้นอ่ะเสร็จแล้วบางคนก็กระตำหนีว่าเอ๊ะ mm hmm. e, พราหม์ไม่เป็นยังไงกันพระพุทธเจ้ามาอยู่ตรงนี้แท้ๆแล้วไม่กราบไหว้พระพุทธเจ้ากลับไปไหว้เจติยะสถานพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเนี่ยท่านไหว้ตรงนี้ทําไมพราหม์ก็บอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะบรรพบุพระบุตรข้าพเจ้าสอนให้ไหว้ให้กราบว่าต้องกราบตรงนี้นะบนรรพบุรุษท่านสอนมาอย่างนั้น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 บุคคลเช่นกับหลายท่านนี่แหละแต่ท่านก็สร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมจนได้แต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าการสร้างบารมีของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ เ, าาเวกทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นท้าวสักกะจึงบอกว่าไม่เคยเห็นคนเช่นนี้มาก่อนเลยทั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบันว่างั้นทีนี้แต่ในอนาคตจะมีคนดีเท่ากับพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นเนี่นะจึงจะจึงจะดีเท่ากัน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 เอหิปสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนาโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวหมายความว่าน้อมอริยมรรคอริยพลให้เกิดขึ้นในใจของตัวน้อมจิตของตัวไปเพื่อแทงตลอดพระ น, นิพพานโอปนาโกปัจจัดตังเวทิตับโพวินยูหิต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 สีเลนโพกสัมปทาผู้ที่รักษาศีลแล้วดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นจะมีทรัพย์แต่มาต้องรักษาศีลนะรักษาศีลกับรักษาสติ๊กเกอร์ของศีลเนี่ยไม่เหมือนกันเออว่าวันนี้เห็นไปทําชั่วอะไรเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ไม่ได้รักษาศีลนะแต่ถ้ารักษาศีลเนี่ยเจตนาคือตัวศีลรักษาเจตนาศีลรักษาเจตสิกศีลรักษาสังวรศีลรักษาความไม่ล่วงละเมิดเป็นศีลรักษากุศลศีลศีลเป็นกุศลหรืออกุศล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 อย่างพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงกุศลธรรมเนี่ยชั้นสูงที่สุดเนี่ยนะประณีตที่สุดดีที่สุดฉะนั้นถ้รทำรรที่พระองค์สอนเนี่ยสอนให้อะไรก็สอนให้เจริญอธิศีนเนี่ยนะให้ความคิดเนี่ยเป็นศีลให้บ่อยๆ ย, ย, ยาวๆและต่อเนื่องเนี่ยนะบางคนก็บอกเออสีก็มีแค่5 ข, อขอ้อหนึ่งของสามสีห้าปานาทินาการ ม, มีมุสาสุราเว้นจากการขาลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทสเดือมสุราเมรัยจบบอกว่าเอ๊ะนั่ก็มีอยู่เท่านี้หรือ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 มันก็นั่งใจลอยนั่งคิดไปเรื่อยนั่งคิดโน่นคิดนี่คิดไปเรื่อยป่วยตามเรื่องตามราวดินน้ำลมไฟคิดถึงพี่คิดถึงน้องเป็นต้นแอมสีนข้อไหนอ่ะนับดูที่หนึ่งสองสามสีห้าเรียกว่าจะศีนคือข้อละนะแล้วสินคือข้อปฏิบัติละ่ะสีลที่เป็นข้อปฏิบัติคืออะไรก็คือปฏบิบัติบำรุงพ่อแม่เป็นต้นไหมะนะเพราะข้อการบำรุงบิดามารดาก็เป็นสินสินที่ประเภทข้อละกับข้อ จเจริญศีลข้อรักก็คือรักจากเจตนาแห่งความชั่วห้าประการรักษาคุศลเจตนาเหล่านี้ให้เกิดบ่อยๆเกิดเยอะๆและต่อเนื่องรักษาคุณภาพศีลเนี่ยเป็นรับซับที่อยู่ภายในอยู่ในใจของเราถ้าเราคิดถึงเขาบ่อยเขาก็มีบ่อยนะคนที่รักงานจะเจริญในงานคนที่รักศีลก็จะเจริญใน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 เหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่าบอกว่าวิญญาณชนในโลกนี้จะเข้าใจเนื้อความเข้าใจความหมายอธิบายได้ก็ต้องอาศัยเปรียบเทียบหรืออุปมานเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าถ้าแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินนี้เป็นที่เจริญแห่งอะไรมัง่งพีชคามคือต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายภูตคามคือต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้เหล่าเนี้ยเจริญงอกงามที่ไหน ต้นไม้เหล่านั้นตั้งอยู่บนแผ่นดินอาศัยแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยปุ๋ยแล้วจึงจกเจริญงอกงามได้ชันใดภิกษุผู้ที่จะเจริญคุณธรรมชั้นสูงเจริญสมร t h และวิปัสสนาเจริญข้อปฏิบัติเพื่อบรลุมรตผลนิพพานต้องอาศัยอยู่บนพื้นฐานคือศีลอยู่บนพื้นฐานคือศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเหมือนแผ่นดินฉะนั้นหรือเหมือนอย่างว่าสัต ทวิบทจตุบาทเนี่ยนะทวิบทแปล ว, ว่าสัตว์สองเท้าจตุบาทสัตว์สี่เท้ายืนเดินนั่งนอนโดยปกติโดยมากอาศัยดินอาศัยพื้นดินจึงทํากิจการงานทั้งหลายได้นะทํากิจการงานทั้งหลายเพราะอะไรตัวเองตั้งอยู่บนดินแล้วทํางานได้บางคนบอกมาคิดเลยทงบอกอ๋อแล้วนั่งเครื่องบินอ่ะเครื่องบินมันไม่ใช่ธาตุดินเหรออยู่บนธาตุดินอีกนั่นแหละพผลโดยที่สุดต้องอาศัยอยู่บนธาตุดินแล้วทํากิจการงานได้ฉันใด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 ทั้งจารีธิศีลและวารีธศีลเอาไว้กับทุกเรื่องเท่ากับทุกเหตุการณ์เนี่ยนะถ้าเป็นพระนพิสูจน์ที่เรียนวินัยมาดีเนี่ยนะอลองถามท่านดูว่าตรงไหนที่ท่านมองไม่เห็นศีลของท่านเลยมีไหมถ้าเรียนวิไนมาดีๆนะถามดูเธอว่าตรงไหนที่ไม่เป็นศีลของท่านมีไหมถ้าหาเจอนะเขามาว่าโอ้โหเก่งมากมาเลยแต่เชื่อไหมเขามานึกไม่ออกเลยตรงไหนที่ไม่ใช่ศีลของพระบ้างที่ไหนอย่างไรเมื่อไรที่ไม่ใช่อารมณ์ของศีลเนี่ย นึกไม่ออกจริงๆเพราะมองทุกเห็นเนี่ยมองเห็นโยมก็เห็นศีนลนะใช่อ่าคนนี้เนี่ยสามารถทาให้เราทุศีลได้กี่ข้อมองเห็นปรับรู้เลยะของโยมเนี่ยถ้าหากมองเห็นมาเทิดเนาะถ้ามองเห็นบางอย่างเนี่ยตานาติบาตมาแล้วนเนพราะอะไรเพราะเรื่องเนี้นําไปสู่การฆ่าเรื่องเนี้ยมันใกล้ต่อทุจริตนะเช่นเรื่องสะตุง้งสะตังเป็นต้นก็มันใกล้ต่ออะไรใกล้ต่ออาทินนาทานเพศตรงกันข้ามเป็นต้นก็ใกล้ต่อกาเมียพูดคุยก็ใกล้ต่อ มูสาเป็นต้นถ้าเห็นขวัญเล่าเป็นต้นก็ใกล้ต่อสุราหรือบางทีแค่เพื่อนเกา่าเห็นหน้าเพื่อนแล้วก็แม้คิดถึงเล่าอะไรอย่างเงี้เป็นต้นเนี่ยนะเหลียวดูอยู่คนเดียวนะมันก็อันนี้นะย้อนกลับมาว่าคือเรื่องทั้งหลายแหละเนี่ยมันใกล้ต่อศีลมันน่ะมองเห็นอะไรปร้าก็ต้องมองเห็นศีลได้ที่ไหนทําชั่วไม่ได้มีไหมอยู่ว่ามีไหมถ้าที่ใดทําชั่วได้ที่นั่นเป็นที่ตั้งแห่งศีลได้เป็นที่ตั้งแห่ง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 พูดภาษาชาวบ้านอนะไรก็รักษาสติกเกอร์สีลเนี่ยแปะยี่ห้อว่าศีลมานานแนละ้วบอกว่าเหมือนกับเราเนี่ยบอกโอ้รักษาบอกเป็นชาวพูดมานานแนละ้วบอกพระพุทธเจ้าคือใครบอกไมก็จะชายเศรษฐะเออแล้วพระพุทธเจ้ามัต่างจากคนอื่นยังไงก็เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งแล้วออกมาบวชเออท่านบนรรลุอะไรท่านบนรรลุอะไรทำไมจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าเฮ้ยอย่าไม่เชื่อก็อย่าไปถามกันนะนะเปลี่ยนเรื่องไม่มีเรื่องจะคุยกันแนละ้วใช่ไหมก็ว่างั้นนะ ก็คล้ายๆเป็นแบบนั้นนั้นเราเออนับถือพระพุทธเจ้าผู้ทางสารานาังขะฉ า, ามิเอสราาักษาผู้ทางสารานาังขะฉ า, ามิมันดียังไงทำไมเราต้องอยังไงมันจะอธิบายไม่ได้ซะส่วนใหญ